ดึกดด่นคืนหนึ่งเดือนดาวาแวมแสมฟ้าภัไยเอ็งกายแล้วหลับไหลฝันไปจำได้ถนัดว่าเดินทางไปในสองข้างทางรกชัดไม่มีทางที่จะลัดสะพายบาดแผลกรดไม่ว่าไม่นานเท่าไรผลทางที่มุ่งหน้าไป มีภัยล้มขวางทางไม่มีที่ไปทำฉันได้ยืนควางเก๊กเก๊กั ง, ก, งกังเพราะทางชันแน่นอนเวียนสะเลาะลองด อ, ดอมดอมมองมองขอเห็นช่องไปมีนิดเดียวพอได้ บาดนั้นปลดพลางวางปรดไว้ก่อนตัวเองนั้นเอนราบนอนคืบกลานพ้จรช้าช้าดงบาทจีวรและปรดไปตามขั้นตอนรวบรวมดึงแล้วติดมาชื่นชมสมใจในรื้ เดินและเดินต่อไปไม่คิดสิ่งใดจิตใจไม่ย่อท้อไม้มุ่งไปด้วยใจไม่รังรอไม่น่ายเลยนอไม่รีรอแวะเวียนเปลี่ยนทางเห็นทะเลกว้างใหญ่ฝั่งนั้นอยู่ตรงไหนมองไปจนสุดลูกตา เมื่อมองทุกยามเห็นน้ำจะรถฟ้าโอ้อนิจจาเราจะไปได้ยังไงพอบนท้อไม่ขาดคำก็มีเรือมาหนึ่งลำรีพานำไปไม่ไต่ไม่ถามถึงเกาะงามเร็วดังใจปีนขึ้นไปไม้ดูให้ทวนสี เห็นพระอาจารย์มันท่านนั่งตะบันมากอยู่พอดีท่านเลยเอ่อยทักสนทนาพาทีถามไทยดิบดีว่ามาถึงนีได้ยังไง อ้าวท่านมหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ไกลมาได้เมื่อไหร่ท่านมาหามาได้ยังไงกันผมนั่งเรือมาผมมาด้วยเรือครับโอ้โหทางนี้มันแสนยากลําบากนะใครๆไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอกอ้าดีแล้วทางนั้นตำหมากให้หน่อยแล้วท่านก็ยื่นตะบันหมากให้หลวงตาก็ตํำจ๊อกจอ ก, จกได้สองสามจกเลยรู้สึกตัวตื่น แม่ท่านบอกว่าหน้าเสียดายมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องแล้วค่อยตื่นก็ไม่ได้หน้าเสียดายจริงๆ